أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا الع الع ل ل ه ملك الحمد حتى ت ر ض ى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها ل أ و ل ي ن والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا ع ب د ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم أ ع ط ي ن ف و س ن ا ت ق و ا ه ا وزكها أن أنت خير من زكها أنت و ل ي ه ا ومولها أما ب د السلام عليكم ر ح م الله وبركاته لقد قرأت على في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ف ص ل ى ب ل ت ؤ ص ر و ن الحياة الدنيا و ا ل ق ر ا ت ة خير وأبقاء إن هذا ลาฟิสซุฮฺฟิ ا ل أ و ل ซุฮฺฟิอิบราฮิมาและมูซาครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานนะครับผมเรายั ง, ง لى, คงอยู่ในช่วงของสุราอัลอาล่าสุราอัลอาลานะครับอยู่ในช่วงของอายะที่สิวเนะครับผมา ا ل آ خ ر ة خير وابقى ل َ ن หรือว่าโลกหน้านั้นดีแล้วก็อยู่ถา ว, วรเราอธิบายไปแล้วในเรื่องของความดีของโลกหน่นะครับผมซึ่งมันเป็นความดีที่ทําให้โลกดุนยานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ดุนยานั้นกลายเป็นเรื่องไร้สาระหรือกลายเป็นสิ่งที่ถูกสาบแช่งไปเลยเมื่อเทียบกับอาคราิร็อปพี่น้องที่รักยิ่งครับวอลสุภาตาได้กล่าวในคุรานนะครับเป็นการย้ําเป็นการบอกให้เรารู้ว่าสําหรับผู้ใดก็ตามที่หวังอาคราิร็อป หวังโลกหน้าผู้ใดที่เขามองข้ามช็อตผู้ใดก็ตามที่เขามองเห็นภาพรวมเห็นภาพกว้างของชีวิตว่าดุญยามันเป็นแค่ข้อต่อมันเป็นแค่ช่วงเล็กๆที่มันจะเป็นจุดหักเหแล้วก็อัลกุราะคือสิ่งที่เขารอคอยต่างหากผู้ใดก็ตามวินนี้ฉนอยากจว่ายะยูฮันดีนอามนุอัตติอุลลอฮะและอุรสูล ว่าูล الأمل منكم فإن تنازعتم في شيء ف ر د ه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا ผนังที่รักริ่ครับในดุนยาในการในชีวิตอยู่ของเราในหลายครั้งที่เราจะได้รับอิทธิพลจากคนภายนอกที่เราจะได้รับอิทธิพลจากคนอื่นอาจจะเป็นอาจารของเราอาจจะเป็นคนที่เรารักอาจจะเป็นเจ้านายเราอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นใครก็ตาม ซึ่งหลายๆสถานการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยครับเวลาที่เราเผชิญหน้ากับมันเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถตัดสินมันได้อย่างเด็ดขาดบางทีเราก็ต้องรับอิทธิพลจากผู้หนึ่งที่ว่ามาบางทีเราก็รับฟังมาอื่นี่จะทําอย่างนั้เนี่ยทำอย่างนี้น่างงจะตามที่เขาว่าที่เขาพูดเสนอมาก็มีเหตุผลหลายครั้งครับเราก็จะ ทำความเข้าใจแม้แต่ในเรื่องของตัวบทหลายครั้งเราก็จะยังไงครับเราก็จะดูว่าเา ค, นนานคนนั้นว่าย่งไงคนนี้ว่ายังไงกุรานว่าอย่างนั้นฮะดิษว่าอย่างนี้แต่ว่าคนนั้นอธิบายว่างนั้นคน น, นี้ว่าอธิบายอย่างนี้อาจารย์ฉั้นบอกว่ากุรานตรงนี้ต้องแปลอย่างนี้บอกว่าฮะดิษตนั้นต้องแปลว่าอย่างนั้นหรือบางทีอาจารย์เขาก็บอกว่ากุรานฮะดิษเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันต้องทําอย่างงั้นบางทีมันก็มีอะไรที่มันดูคอนฟ lict แล้วเราก็ไม่แน่ใจเราจะเชื่อใครหรือบางทีเราเลือกเชื่อคนผิด ยายพลดีนาเมานูผู้ที่ศรัท ธ, ธาแล้วทั้งหลายนะครับจงเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็จงเชื่อรอสูลแล้วก็ผู้นําผู้ปกครองของคุณอายะกรานอยายะนี้นะครับอาจจะเป็นยาขมสำหรับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีความเชื่อว่าต้องล้มล้างผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองคนชั่วก็ล้มมันซะล้มมันเสียนะครับแล้วก็หาคนดีคนอื่นมาปกครองนะครับอายะกรา น, นี้ชัดเจนครับพู้เลาบอกว่าไงครับให้เชื่อ แต่แน่นอนเข้าไปใระดับความเชื่อนั้นแตกต่างกันไม่ใช่ว่าอยู่ระดับเดียวกันเริ่มด้วยกับอติอุลลาะต่ออาตต่ออัลลอฮ์วะตออาตัวระศูนในนั้นก็อาตาระศูนเป็นอันดับที่สองวะอูลิลอัลมผู้นําผู้ปกครองเนี่ยพวกเลาะไม่ได้ใช้คําว่าตออาแต่พวกเลาะให้เลี้ยงอยู่ในอันดับสามไปว่าให้เชื่อฟังแต่ไม่ถึงขั้นต่ออาที่ต่ออาตต่อระศูนแล้วก็แน่นอนไม่ถึงขั้นที่ต่ออาต่ออัลลอฮ์กับไปริซามก็บอกว่า เรื่องของผู้นำเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนะเราก็ต้องเชื่อฟังตามนะต่อให้เขาจะสั่งใช้สิ่งที่มันจะเป็นการขุดเลือดขุดเนื้อเราจําเป็นจะ ต, ต้องเชื่อฟังตามใดก็ตามที่มันยังไม่ขันไม่ขัดกับกุรอานกับไม่ขัดกับฮะดีษไม่ขัดกับที่ท่านบีิบอัลสลัมนํามาว่าอินเตอร์นชัตุมฟรีใช้แต่เมื่อไหรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการถกเถียงและมันหาที่ลงไม่ได้จะเชื่อใครดีอะไรยังไงฝ่ารุดดูฮิละบอวัลละซูลถ้าจะกลับก็กลับไปดูที่อัลลอฮ์กลับไปดูที่ละซ ว่าพง์ว่าอย่างไรบ้างว่าทาศนย์ทำเป็นแบบอย่างไว้อย่างไรบ้างทีนี้ครับพวกเราบอกไงครับให้กลับไปสำหรับอินกุลตุมหากว่าพวกคุณนั้นศรัทธาต่ออัลลอ์และหันสินโลกประเด็นน่าสนใจครับเพราะว่าเอากัณีจริงครับในหมู่ของการขับเคลื่อนศาสนาทางบ้านเราเนะี่ยหรือว่าทางโลกกัพี่น้องเอาคข้าจริงเนะี่ย แล้วะมีหลายคนที่เขาจะบอกว่าเขาตามมอเล่นนะเขาตามระซูนนะเขาเขาจุดยืนที่ชัดเจนนะเขาแข็งขันเขามั่นคงนะแต่เราจะพบว่าบางช่วงบางโมเมนต์เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ที่เขารักพูดกับสิ่งที่ขัดกับตัวบทที่ชัดเจนผมใช้ว่าตัวบทชัดเจนนะเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์ของเขาพูดค้านขัดกับตัวบทที่ชัดเจนเขาจะเลือกอาจารย์เขาบอกว่าไงครับก็อาจารย์ต้องเข้าใจดีที่สุด คือหลายครั้งเราคืนน้ำลายตัวเองหลายครั้งที่เราส่งบรรทัดฐาหลายครั้งที่เราบอกว่าเนี่ยทำไมกลุ่มนั้นปิดตามผู้รู้ทําไม่ตามอาจารย์ตัเองเนี่ยหลงผิดแต่บางทีเราก็หลงผิดซะเองซึ่งประเด็นให้เห็นเยอะครับผมตัวอย่างที่ผมเจอกับตัวมาก็เยอะครับผมบางคนอยา่างประเด็นบาปเป็นที่มันชัดผมไม่ขอหยิบยกมาเดี๋ยวมันจะมันจะยาวนะครับเราอยากคุยเรื่องตับซีดอยากจะคุยแบบเพิ่มอี إ ي ่านเพิ่มอะไรไม่อยากสร้างความเป็นศัตรูกันแต่ก็แค่อยากจะพูดให้ฉุก ค, คิดนิดนึงว่า ผมเจอหลายครั้งนะครับเจอหลายครั้งแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยกับกลุ่มอื่นเนี่ยคือชี้หน้าด่าเบ็ดเต็มที่แต่พอมาเป็นเรื่องตัวเองบางทีตัวบทชัดๆัดอยู่ต่อหน้าปุ๊บไม่ยังไงอาจารย์ฉันน่าจะเข้าใจถูกต้องแหละเพราะว่าอาจารย์ฉันรักษาสุนทรที่สุดแล้วอันนี้น่ากลัวครับอันนี้น่ากลัวอันนี้มันจะเข้าขาวา่ว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับก็พอเราบอกไงหากศรัทธาต่ออัลละฮ์และวันสิ้นโลกมีปัญหากลับไปที่อัลลอฮ์กับประสุนจริงๆกลับไปให้จริงนะครับผม พวกรถเชาไหมครับแดดดก็คอยรุนนั่นแหละคือสิ่งที่ดีใช้คํำย่ายๆคือสิ่งที่ดีคอยรุนแล้วบอกว่านาเกิร์การพูดไม่จ่อจงเนี่ยคือดีในทุกๆด้านดีในทุกมิติเลยแดดดีก็คอยพอแล้วลมีปัญหากระเพาลเรากระเพาะเราสูญต่อให้บางเรื่องเราไม่เข้าใจจริงๆให้จบที่ตัวบทจริงๆไม่ใช่คําอธิบายอย่างเดียว พอาบางคนบอกว่าเนี่ยฉันกลับไปที่ตัวบทแต่จริงๆที่เขายึดอาจจะเป็นเพียงแค่คําอธิบายของอาจารย์ของเขาที่เอาตัวบทมาอ้างเฉยๆปรเด็นนี้ลึกละเอียดครับแต่ก็คือถามว่าฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันอยู่แนวไหนคําตอบก็คือตรวจสอบใจตัวเองใจเราบริสุทธิ์จริงใช่ไหมไม่ใช่มีเรื่องของความรักจนหน้ามือตามัวใช่ไหมไม่ใช่มีเรื่องของการเกลียดจนน้ำมือตาหมัวใช่ไหมก็เนื้อความบริสุทธิ์ใจหากเราแปาแขนงเอาวะ ความรักของ Allah แล้วเราหากเราปฏินาบรรลุดกอย่างแท้จริงอันนี้ตรวจสอบใครตรวจสอบมันนะครับผมไม่ตัดสินเจตนาใครนะเดลิกอร์คอยพวกเราบอกมันเป็นสิ่งที่ดีว่าอัสนุตะวีลายและนี่แหละคือการตีความที่ดีที่สุดแล้วคือมีปัญหากลับไปหาล l l a h กลับไปหาละซูนกลับไปหาให้มันจริงๆไม่ใช่กลับไปหาอุดมการบางทีมันก็ยากครับพี่น้องบางทีก็ยากยากวอลลอฮุจจาละอาลัมครับผมพี่น้องครับเมื่อเรามาดูเนี่ยพวกเราบอกว่าไงครับหากเจ้า ศรัทธาต่อเนาะแล้วก็หวนสินโลกซึ่งมักจะอยู่คู่เคียงกันแล้วพอเราบอกบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีแล้วซึ่งถ้าเราสังเกตดูในฮะดีสครับมากมายมหาศาลนะครับที่ท่านอบีมัสลัมจะกล่ว่าเคยก็ตามที่ศรัทธาต่ออเลาะและ ว, วันสินโลกซึ่งการศรัทธาต่อวันสินโลกเราคุยกันแล้วแล้วก็เราก็รู้กันดีว่ามันคือหนึ่งในเสาหลักของการศรัทธาที่ทําให้มุสลิมเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้น ในภาคปฏิบัติพี่ น, น้องคือผมไม่รู้ผมจะสื่อสารยังไงผมจะพูดยังไงที่ผมผมอยากจะถ่ายทอดให้พี่น้องเข้าใจว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยขอให้วันกเกียร์ม้ามันอยู่ในความคิดเราจริงๆให้มันอยู่ในใจเราจริงๆก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําก่อนที่จะคิดก่อนที่จะนินทาก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของใครก่อนที่จะทําอะไรให้อัลลอฮ์อยู่ในใจเราจริงๆแล้วก็ให้วันสิ้นโลกนั้นมันอยู่ในเราใจเราจริงๆ โลกหน้าที่มันจะเกิดขึ้นให้มันอยู่ในใจเราจริงๆพี่น้องผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเราศรัท ธ, ธาต่ออัลลอ์และศรัท ธ, ธาต่อวันสิ้นโลกอย่างแท้จริงพฤติกรรมของเราจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้าอาลัาอาลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูครับเวลาที่วัลลอฮ์พูดถึงบรรดาบ่าวที่ดีอัลลอฮ์ก็จะต้องพูดถึงคนลักษณะในเรื่องของ การศัทธาตะวันสิโล้วมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงในสรลส์สครับพี่น้องพราไก่า Words good إبرة ได้ใน إبراهيم أو إسحاق ويعقوب لأيدي والأبصار إن أخلسناهم ب خ ص ة ذكرت دار بال น่งสนใจอิน أ أخلسناهم بخالصة ذكرت دار وإنهم إن دنا لا من المستفيدين أ ق ر เดซิลัสซัสอายัดี่สี่สิหถึงซัส์สี่ครับพวกลอสซาบาดาได้พูดว่าไงครับพวกเจ้าจงไข้ควรดิจงคิดสิจงทบทวนเรื่องราวของบ่าวของเราบ่าวคนไหนบ้างที่พูลเยกมาครับอิบรอฮิมวะอิสซากวะยะกูบท่านอิบราฮิมพ่อของมลาราบีทั้งหลายอิสซากก็ลูกชายของท่านที่ว่ามาสายของราบียะกูบก็คือสายของทางชาวยูละซึ่งก็ เป็นกลุ่มที่ทุกกลุ่มเชื่อนะครับแล้วก็ให้ความรักให้ความวเคารพผู้รัชกาลว่าอุลิลไอดีวันอับดซอดผู้ที่มีความแตกฉายมีความเข้าใจแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชัดเจนที่ถูกต้องที่สอดคลองผู้ราชบอกว่าให้คิ ด, ดใ ห, ให้ให้ควรสีถึงเรื่องราวของอิบรอมียิบรอมนิซักแล้วก็เดบิยากูอินน์อะคลาสนาหุมเราได้ให้เขานั้นมีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจด้วยการที่พวกเขาเหล่านั้น ได้มีความจริงใจในการคิดถึงโลกหน้าหรือกระดับอดาเรนี่ก็คือโลกหน้าอีกครั้งหนึ่งพระองค์สุบฮานุลละห์ได้บอกให้เรานั้นให้ควรถึงประวัติของวีระบุรุษสมท่านนบีอิบรอฮิมนบีอิสสะน บ, บียะคูบพระองค์บอกว่าวีรบุรุษทั้งสท่านเนี่ยของอุมมะเนี่ยเป็นบุคคลที่ปล่ ให้เขานั้นมีทั้งความคิดอ่านที่แตกสารแล้วเขาเป็นคนที่ทุ่มเทพเพื่ออล้ออย่างแท้จริงพวกลอสได้บอกว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาเหล่านั้นคือเขาคิดถึงโลกหน่นี่คือคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ทำให้เขานั้นเป็นที่รักของพวกลอสซุบานวตาลาแปลว่าถ้าเราอยากจะมีความโดดเด่นนาะที่ของพวกลอสซบานวตาลาพี่น้อง เอาวันอาเคโรเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราเลยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่าคิดว่าสุขภาพฉันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าวันอาเคโรอย่าคิดว่าทรัพย์สินของฉันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าวันอาเคโรอย่าคิดว่าคนรักของฉันเป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าเรื่องของอาเคโรพอระบบกลุ่มคนที<ห>่พวกล้อรักเนี่ยเขาเอาวันอาเครเนี่ยมาเป็นเป้าหมายหลักในใจของเขาด้วยความจริงใจ กลับไปที่คําถามเราจริงใจกับวันอาเคียราะ้อแค่ไหนอันนี้เป็นคําถามที่ว่าผมต้องถามตัวเองแล้วพี่น้องก็ต้องถามตัวเองเพราเราต้องถามตัวเองเป็นประจำครับว่าณจุดจุดนี้เราจริงใจกับวันอาเคียราะ้อแค่ไหนหรือเราเป็นมุสลิมแค่ดุลยาเราเป็นมุสลิมแค่ฮะคันล้อตอบรับดุอ า, าที่เกี่ยวกับดุลยาเท่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกี่ยวกับอาเคียราะ้อเราปล่อยมาไว้ไกลอย่างนั้นหรือเปล่าเพรากเขาเขียนว่าอินน่าฮุมอินเดนาและเป็นมุสลิฟายแลอักรีา พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยเป็นผู้ถูกคัดเลือกที่เป็นคนที่ดีเลิศที่สุดดีเลิศเพราะเขาจริงใจกับเรื่องของวันเกียร์ะจริงใจกับเรื่องของวันเกียร์ะมองวันเกียรมากคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาจริงๆแล้วเราละ่ะมองจริงจังจริงใจแค่ไหนยิ่งมองจริงจังแค่ไหน มันก็ยิ่งยกระดับเราให้มากยิ่งขึ้นพฤติกรรมเราจะชัดเจนยิ่งขึ้นคำพูดเราจะชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งชั่วร้ายเราจะน้อยลงถ้าเราเอาอาคิวร้อนัน้นเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของพวกเราพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาดูขบรรดาผู้ศรัทธาเวลาเขาคิดเนี่ยคนที่เขาเอาอาคิวร้อชัดเจนเนี่ยเขาคิดยังไงเผื่อพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์ที่ฟังมามันมันยังไม่ค่อยเข้าใจมันฟังดูเลือ่อนลอยมันดูเหมือนกับแบบว่ามันเหมือนจะดีมันเหมือนจะเข้าใจแต่มันไม่เก็ตพี่น้องดูตัวอย่างชัดเจนเ คนที่เขามีความจริงใจกับโลกหน้าใครก็ตามที่มีความจริงใจกับโลกหน้าเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ครับพี่น้องเราไปดูเรื่องทึกข่อยมาท่านหญิงไอชารรยุบลฮุอันฮาครับผ่านลิต์นี้บันทึกโดยอิหมัดเตอรมีดีซึ่งเชคอาบานีระบุว่าเป็นที่ที่สองนี้ท่านหญิงไอชารรยุบลฮุอันฮาครับนางได้บอกครับว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอับดุมฮัมมัดสลลอะซามได้เชือดแกะพอท่านเชือกแก่ครับ ท่านก็ถามท่านอย่างไอชาครับว่าเราเหลืออะไรบ้างคือพอเช็ดแกะปุ๊บท่านลบีก็ทำอรทุระของท่านแกะเนี่ยก็ฝากแจกจ่ายไปแล้วก็มีส่วนที่เก็บไว้กินพอท่านลบีกลับมาท่านลบียก็ถามว่าเราเหลือแกะเหลืออะไรบ้างจากแกะเนี่ยซึ่งไอชาบอกว่าเราเหลือขาหนึ่งเราเหลือขาหนึ่งอยู่ที่บ้านที่เหลือบริจาคไปหมดแล้วเหลือขานึงท่านลบีมูมัอลัลสลามบอกว่างครับไม่ใช่ เราเหลือแกะทั้งหมดเลยยกเว้นขาหนึ่งข้างสุภาน้องวะถ้าเป็นพวกเรามองว่าไงครับแกะเหลือขาข้างหนึ่งแกะเหลือข้างหนึ่งนี่คือความรู้สึกเราจริงจถูกไหมพี่น้องเอาจริงๆริงอ่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้อ ง, เ, องเชิดแกะสักตัวแล้วบริจาคแล้วก็แจกจ่ายไปหมดเนี่ยแค่บริจาคเกืเอบทั้งหมดแล้วเหลือขาข้างเดียวนี้มันก็ต้องทำใจนะพี่น้องมันก็บางกี่อยากได้เยอะบางกี่อยากเก็บให้คนนั้นเก็บให้คนนี้แต่นี่คือบริจาคเหลือขาข้างหนึ่ง เป็นใครผมค่อนข้างมั่นใจเป็นใครก็คงคิดว่าโอเคเราเหลือขาแกะหนึ่งข้างเอาไว้กินนะเอาไว้อร่อยกับคนในครอบครัวแต่ท่านนบีมอมัสลัมกลับใช้คําว่าเราเหลือทั้งหมดเลยยกเว้นขาข้างหนึ่งที่มันอยู่ที่บ้านเราอะไรทําให้ท่านนบีพูดอย่างนี้อะไรทําให้ท่านนบีมัสลัมมองอย่างนี้คําตอบก็คือเพราะท่านมองว่าสิ่งที่บริจาคไปนั้นท่านจะได้รับการตอบแทนแน่นอนในโลกหน้า ท่านทำเพื่อลูกหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเหลืออยู่กับท่านต่อให้ท่านเสียชีวิตไปก็คือแกะทั้งหมดยกเว้นขาข้างนึงถูกไหมครับเพราะขาข้างนึ่งเนี่ยท่านเอามากินกับครอบครัวของท่านในดุนยามันจบกับตุนยามันก็จบแค่นั้นถ้าท่านเสียชีวิตมันก็จบด้วยกับการเป็นวิสกีที่ท่านได้กินกับครอบครัวของท่านได้กินจบแค่นั้นในขณะที่แกะส่วนที่เหลือทั้งหมดเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้ว มันเป็นส่วนที่ท่านจะได้รับเพราะมันเป็นการงานที่ดีที่ท่านทําเพื่อให้อลัลลอฮ์รักเราพระทยอย่างแท้จริงที่ท่าน้บริจาคมันไปเพราะฉะนั้นถ้าผมถามคำถานพี่น้องว่าเราเหลือตังกี่บาทพี่น้องจะคิดอย่างไงตังที่อยู่ในกระเป๋าหรือตังที่ใช้บริจาคเพื่อให้อลัลลอฮ์รักใช้ในสิ่งที่มันควรจะใช้ใช้กับครอบครัวในการให้เขาได้มีอาหารให้เขาได้มีเสื้อผ้าที่สวมใสยเราจะคิดอย่างไง เราเหลือตังค์เท่าไหร่คําถามนี้ผมว่าเป็นคําถามที่ชัดเจนพี่น้องว่าเราโฟกัสอะเคียร์แค่ไหนผมก็ค้ามั่ใจเกือบทุกคนรวมทั้งตัวผมถ้าถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่ผมก็คงเปิดกระเป๋าตังค์แล้วดูเหลือเท่าไหร่ผมก็คงจะบอกว่านี่คือตังค์ที่ผมเหลือแต่ถ้าผู้ศรัทธาระดับนบีระดับรอซูหรือบรรดาคนที่อมรรลักษ์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้ที่เขาเหลืออยู่น่ยคือสิ่งที่มันจะอยู่กับเขาตลอด นั่นคือสิ่งที่เขาได้ใช้จ่ายมันไปเพื่อลอสส์บาลหัวาตาละบอกว่าตัวอย่างนี้จะชัดเจนสําหรับพี่น้องหลายๆท่านว่าตกลงมองยังไงล่ะที่มองแบบให้อาคิรอนนั้นอยู่ใกล้กว่าก็คือมองว่าพฤติกรรมไหนก็ตามที่เราทําเพื่ออาคิรอนนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่มันจะอยู่กับเราจริงๆ จ, จะไม่มองถึงการสูญเสียในดุนยาจะไม่มองถึงความเศร้าในดุนยาจะมองถึงความเสียใจหรือความรู้สึกแง่ลบใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวที่มันจบกับดุลยาเพราะจบกับดุลยาเราตายมันก็จบเอาคิดง่ายๆเลยพี่น้องพี่น้องที่รักเรามาลองใช้เวลานิดนึงทําใจให้สงบนิดนึงลองค่อยๆคิดตอนเนี้ยมีอะไรบ้างอยู่ในหัวพี่น้องอะไรบ้างอยู่ในใจพี่น้องเรากาลังเครียดเรื่องอะไรบ้างเรากําลังกลัวเรื่องอะไรบ้างเรากาลังวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างเรากําลังเสียใจเรื่องอะไรบ้างพี่น้องเราค่อยๆคิดนะเสียใจเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ ทุกใจเรื่องอะไรบ้างตอนนี้กำลังรู้สึกสูญเสียหรือมีอความรู้สึกแย่งรบกับอะไรบ้างตอนนี้ถ้าพี่น้องค่อยคิยคยคดสมมติพี่น้องคิดได้สักสิบอย่างหรือ20อย่างหรืออาจจะอย่างอาจจะสองอย่างลองคิดต่อว่าถ้าเราตายณวินาทีนี้เรื่องเหล่านั้นมีอะไรที่ยังเศร้ายังเสียใจยังกลัวยังโกรธยังรู้สึกแย่กับมันอยู่บ้างหรือเปล่าจะมีอะไรเหลือบ้าง ถ้าพี่น้องคิดที่ฉันเศร้าที่อยู่ในหัวฉันที่ฉันเครียดเรื่องลูกหลานมันจะมีงานทํำไหมมันจะเป็นยาคนดีมันจะทําอะไรยังไงหรือเรื่องสุขภาพของฉันเรื่องเงินในบัญชีของฉันเรื่องอาหารการกินของฉันถ้าเรามีแค่นั้นพี่น้องถ้าเราตายตอนนี้ผมมั่นใจว่ามันจะไม่ได้อยู่ในหัวเราอีกเลยถูกไหมครับมันจะไม่อยู่ในหัวเราเลยแต่พี่น้องคนไหนก็ตามถ้าเกิดก็บอกว่าฉันลองทําแบบที่อาจารย์ว่าแล้วฉันมานั่งคิดแล้วอะไรที่ฉันเศร้าอะไรเฉินเครียดแล้ว พอฉันคิดว่าถ้าฉันตายนะวินาทีนี้มันยังเป็นเรื่องเครียดสําหรับฉันอยู่เพราะมันคือเรื่องอาเครอ่เราทำเด็ดแล้วพี่น้องมาถูกทางแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าฉันยังเครียดอยู่ต่อให้ฉันตายเพราะมันเป็นเรื่องดุนยาฉันไม่รู้ลูกหลานจะอยู่ยังไงอันนี้น่ากลัวนลพี่น้องอันนี้คือวิกฤตแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดูง่ายๆครับว่าอาเครอ่เนี่ยมันอยู่ในใจเราจริงหรือเปล่าตรวสอบเองได้ยังไง อะไรที่เราให้ความสาคัญกับมันมากที่สุดอะไรที่เราเครียดกับมันมากที่สุดอะไรที่มันอะไรที่เราเศร้ากับมันที่สุดอะไรที่เราที่มันทำให้เราฉุนเฉียวมากที่สุดแต่พี่ น, น้องถ้ามันมีแต่ดุนยาแล้วก็ดุนยาแล้วก็ดุนยาก็ขอให้รู้ว่าเราคือผู้ที่มีหัวใจยึดติดกับดุนยาอย่างงวงหัวไม่ขึ้นแล้วแต่ถ้ า, ายังมีเรื่องอาเคระต่อให้มันมีแค่เรื่องอาเครอตบ้างสักหน่อยหนึ่ง มันก็ ย, ยังพอจะมีความหวังสักหน่อยแต่ถ้าท่านใดนี่คือมีแต่เรื่องอาคีรอดเลยอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดีลละท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่น่าอิจฉาที่สุดบนโลกใบนี้พี่น้องที่แรกยิ่งครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่ว่าหัวใจของเขานะ่ยมีอาคีรอดอยู่ในหัวใจผู้ที่มีอาคีรอดในหัวใจเมื่อกี้เราดูตัวอย่างของจากท่านอัอดุลสลามแล้วใช่ไหมครับตอนเนี่ยเรามาดูแบบอย่างจากาเริ่มจากขอซอฮับ ก, ก่อนแล้วกัน ซ อ, อบาเกิดช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงที่แร้งแขนเป็นช่วงที่ลําบากแล้วก็มุซิมเนี่ยจำเป็นจะต้องทําการสู้รบมีความจำเป็นต้องสู้รบท่านอบีมัสยาซัมได้ทําการระดมทุนระดมทุนเพื่อที่จะทําการทําการปกป้องเพื่อทการรักษาศาสนาซอบาครับต่างพากัน ใครมีทรัพย์สินที่พอจะเอามาได้เนี่ยที่มันไม่เดือดร้อนครอบครัวเนี่ยก็จะเอามาบางคนก็เดือดร้อนหน่อยแต่ก็อดทนก็เอามาบริจาคทุกคนที่มาบริจาคเนี่ยท่านนบีมสัญญสยิดังจะถามคําถามเหมือนเหมือนกันครับพี่น้องใครก็ตามที่เอามาเอามามากเอามาน้อยท่านนบีไม่ได้มองตรงนั้นคําถามที่ท่านนบีจะถามก็คือคุณเหลืออะไรไว้ให้ครอบครัวแล้วด้วยใช่ไหมคือครอบครัวคุณยังไม่เดือดร้อนจากการมาบริจาคครั้งนี้ใช่ไหมก็คือต่อให้จําเป็นแค่ไหนก็ตามอามาหน้าหลักก็ต้องรักษาไว้ ก็แต่ละคนก็พยายามเอามาในส่วนที่ออรู้แล้วท่านอับดุลเลาะไม่อยากให้เราทําร้ายครอบครัวเราก็เอาในส่วนที่ได้บริจาคด้วยแล้วก็ครอบครั ว, วก็อยู่ได้ก็มาบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคในตอนเนี่ยครับท่านอุมะริยลอฮ์อันหูครับซึ่งบรรดาคนดีๆเขาชอบแข่งขันจะทําความดีท่านอุมะริมาครั้งนี้ท่านบอกว่าที่ฉันแข่งขันมาเนี่ยฉันไม่เคยชนะอบูบักเลยครั้งเนี่ยฉันจะต้องชนะอบูบักให้ได้ในเรื่องการทําความดีเพื่อให้อัลลอฮ์รัก ทำความทีให้ลรัก็แข่งขันกันได้ครับว่าฟีดาลิก้าฟเยตนาวัซิมมุตนาปิซูนในผู้ดานวนแล้วก็ส่งเสริมไว้คนดีๆที่อยากจะแข่งขันกันในการทําความดีแข่งขันกันเลยมาเรามาช่วยกันปลูกแล้วเรามาละหมาดเรามาดูว่าใครจะละหมาดได้นานนานกว่ากันละหมาดแล้วก็มีคุณภาพมากกว่ากันอย่างเงี้ยแข่งกันเลยทานอุมัตก็อยากแข่งกับท่านอบูบัคก็บอกครั้งเนี้ยจะต้องชนะท่านอบูบัคแค่ได้เอาทรัพย์สินมาให้กับท่านอบีุตั้งไว้กับหน้าท่านอับดุลมัสลลัฟวาบง ่านุมัสตอบเลยครับด้วยความรักที่มีต่ อ, อล l l a h ความรักที่มีต่อละซูนผมเหลือทรัพย์สินครึ่งหนึ่งไว้ให้กับครอบครัวของผมพี่น้องท่านุมัสเอาทรัพย์สินมาบริจาคครึ่งหนึ่งอ่ะพี่น้องมีใครกล้าทําบ้างอ่ะผมท้าเลยพี่น้องคนดีในยุคนี้จะมีสักกี่คนที่บอกว่าครึ่งนึงบริจาคเพื่อ Allah เอลยมีไม่มีครับแต่อน้อยพี่น้องเพื่อ Allah อ, อ, อย่างแท้จริงบริจาคไปเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยน้อยแล้วก็ทําได้ยากมากด้วย คท่านอูมัท่านมั่นใจว่าคนในครอบครัวงท่านมีความอดทนมากพอเขาจะต้องทนได้ต่อให้เหลือทรัพย์สินแค่ครึ่งเดียวเขาต้องทนได้นี่คือท่านอูมัตมั่นใจในครอบครัวของท่านท่านอูมัตก็เป็นผู้ศรัทธาครอบครัวท่านกับผู้ที่ศรัทธาทีนี้ถึงเวลาครับท่านอบูบักก็ทรัพย์สินมาให้ท่านนบีมอลสลาร์ฮอริสลัมก็มาตั้งตุ้มท่านนบีบอกว่าคุณเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวบ้างเหรืออบูบักท่านอบูบักไรอัลลอนฮูบอกว่าไงครับ ผมเหลืออัลลอฮ์และเราสูญไว้ให้พวกเขาซุบานัลลอฮพี่น้องมันแปลว่าอะไรพี่น้องมันแปลว่าท่านอบูบักบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านมีทั้งหมดเลยหัวใจทําด้วยอะไรนี่คือบุคคลที่ว่าเป้าหมายเขาชัดเจนอาคีรอเขาชัดเจนท่านอับดุลเบี๊องมุสลิมซัลลัมบอกว่าไงครับคนทุกคนที่ทําดีกับเราเราได้ตอบแทนเขาแล้ว อย่างเหมาะสมคือใครก็ตามทําดีกับนาย บ, บินนายบีตอบแทนหมดเลยใครเอาอาหารใม่นบีตอนท่านบีเดือดร้อนท่านบีก็ยกคนรับใช้ให้เลยในวันต่อมาคือความดีใครทําดีกับท่านบีท่านบีตอบแทนหมดเลยท่านบีมูมัสรอสซัลลัมบอกว่าไม่มีใครทําดีกับเรา <c oughs> นอกจากเราได้ตอบแทนพวกเขาไปหมดแล้วนอกจากทรัพย์สินที่มาจากอบูบัก ค, คือท่านบีนัสไ ม, ม่สามารถตอบแทนได้เท่ากับที่ท่านอบูบักมอบมานั่นคือสิ่งที่แน่นอนครับ พวกเราจะตอบแทนอย่างเกินจินตนาการอย่างแน่นอนชื่อเลียกก็กกินอิตาลีสหนึ่งครับมานาฟ้าีมารุนคอตตูมานาฟามาลุอบบีบัร์กรินไม่มีทรัพย์สมบัติของใครที่จะยังประโยชน์ให้กับชั้นมากเท่ากับทรัพย์สินของอบุบักอีกแล้วนี่ก็คือการยกสถานะความประเสริฐของท่านอบุบักรายยงเราอันถงซึ่งท่านอูมัด ก, ก็บอกว่าฉันจะไม่แข่งกันเลยกับท่านอีกแล้วสุภาเราและนี่คือคนดีๆคนระดับแบบว่าสุดยอดเนี่ยเขาแข่งกันนะพี่น้อง คือบางคนอาจจะบอกอถ้าดูมัดบริจากได้แค่ครึ่งนึงดูตัวเองก่อนก่อนจะไปว่าใครดูตัวเองก่อนถ้าเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเกิดไม่มีใครมาลงขาวหนังสือพิมพ์ไม่มีใครพูดชมไม่มีใครมาเยนเยอสาะระเสริญเยนยอเนี่ยสักร้อยบาทจะให้หรือเปล่าถ้าเกิดให้รับๆอย่างเงี้ยเข้าเป็นมันสยิดมีตู้รับบริจาคข่าน้ําข้าวไฟเนี่ยเราจะเอาเบงพันใส่เอาเบงห้าร้อยใส่หรือจะควานหาเหรียญที่15บห้ตังใส่เหรียญบาทใส่เหรียญห้าบาทใส่ ก็คำพูดว่าไยางนะครับฐานใจเธะดูใช่ไหมครับผมก็แต่ละคนก็สอบสนตัวเองเราได้แบบอย่างคนที่อานคาราอยู่ในหัวใจเขาแล้วจากท่านอับดุลโมสลลัลสลัมแบบอย่างจากผู้ที่อานคาราอิเอยู่ในหัวใจของเขาแล้วจากท่านอบุบักรแก็ท่านอุมารา์ไรย์มอลลและก็เบลดาสซาบะผู้ทรงธรรมบางคนอาจะบอกอาจารย์กันแตมันคนดีไงเขาก็ทําได้สิชันไม่ใช่ฉันทําไม่ได้ขนาดนั้นพี่น้องมาดูแบบอย่างคนชั่วอเลยไหมเรามาดูแบบอย่างคนชื่อะไรถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยคนดี เขาทำได้ส<จ>ิเขาเป็นคนดีงั <da> ้นเรามาดูคนชั่วกันสุลตาะฮาครับฟาอุลกิยสฮารตุสุจเจเดกาลู آمنا برب بخارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آ َ ن لكم إنه لك بركم الذي علمكم السحرة فلا أقط أن أيديكم وأرجلكم من خلاف และอุศลิบนาคุมในชูธอินนักลิและตั้งเลมันอื่นนั้นอาชัดอาดับออับกาในสรัตเถาวลักษณาอุบาโนตาได้กล่าวไว้ถึงเรื่องราวของกลุ่มคนที่เคยเป็นคนชั่วมาก่อนใช้คำว่าคนชั่วได้เต็มปากเลยเคยเป็นมาก่อนนะพี่น้อง เรามองว่าเราชั่วแค่ไหนก็ตามมาดูกลุ่มคนผมค่อนข้างมั่นใจว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่เคยชั่วมากกว่าพวกเราทุกคนเคยทําบาปมามากกว่าพวกเราทุกคนในที่นี้เมื่อพวกเราถึงท่านตั้นระบีมูซาให้ไปเผยแผ่สัศาสนาเราให้ไปด้าวะกับเฟรุอุนพวกเราบอกให้ไปเลยหรืออย่างที่เราทราบครับเฟรุอุนในยุคนั้นเก่งในเรื่องไสยศาสตร์เขาเห็นมุจิศาสตร์ของระบีมูซาเขาก็ใจว่านี่คือไสศาสตร์เขาก็เลยว่ามักมูซา งั้นมาแข่งกันว่าเสศักย์ใครจริงกว่าเฟรดอุได้เรียกร้องเอาบรรดาพ่อมดหมอผีระดับแนวหน้าบาปใหญ่พี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องของชีริกขั้นต่ำก็คือเรื่องของกูฟอตเป็นผู้ไปเสดรัทธาคือคนที่ยุ่งเกี่ยวพวกหมอพ่อพุ่หมอผีนะครับเฟรบาปใหญ่แน่นอนกลุ่มนี้ชั่วกว่าพวกเราไม่ผมค่อนข้างจะไม่ใจว่าชั่วกับพวกเราแทบจะทุกคนนี่ยแหละพวกเราเกิดมาก็เป็นมุสลิมเราทมดีละหลายๆท่านอาจจะไม่เคยทาชีริก ตัวล้อล อ, อรำนะครับผมแต่ก็โดยรวมผมมองว่าใครี่หมู่พวกเราจะบาปใหญ่เท่ากับหมอผีบ้างนะหมอผีนี่คือทําให้คนรักจิงพระเจ้าหมอผีนี่คือทําให้คนที่รักกันแตกกันหมอผีนี่คือทําให้เกิดแต่สิ่งชั่วร้ายเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายพี่น้องนี่คือเรื่องคนชั่วจริงๆนะพี่น้องเอาเรื่องคนชั่วมาคุยคนอดีตคนที่เคยเลวมาก่อนแต่เมื่อเขาเห็นสัจธรรมอยู่ต่อหน้า เขาเริ่มต้นมาเลวหลายกว่าพวกเราทุกคนนะเริ่มต้นมาเลวร้ยวายกว่าพวกเราทุกคนจนกระทั่งถึงช่วงวัยกลางคนเดืยรซ้ําแต่เมื่อเขาเห็นสัจรูธรรมวุลกเยาสหราตุสุจเดาพื่อละเก่าไงครับบรรดาพ่อมดหมอผีคนที่เคยเลวร้ยวายเหล่านั้นเนี่ยเขาได้ทิ้งตัวก้มกาบเลยก้มกาบแบบไม่แคร์ใครไม่สนใจใครเลยทั้งนั้นอยู่ต่อหน้าฟื้อูนเดืยร์ซ้าพี่น้องก้มสยุดเลยบอกว่าไงครับอามันนาบิราบิฮารูนบะมูซา เรานั้นศรัทธาต่อพระผู้ยุบาลของมูซาแล้วฮาลูนแล้วเชื่อมันในพระเจ้าเชื่อมันในผู้สร้างเชื่อมันในผู้ที่ส่งระบีมูซากับฮารูนมาเชื่อมาแล้วอีหมานเต็มหัวใจจากที่ชั่วสุดๆกับกลายเป็นอีหมานเต็มหัวใจของพวกท่านเหล่านั้นแบบท่วมท้นเลยพี่น้องแล้วเราจะมีใครที่เคยเลวร้วายกว่าพวกท่านเหล่านั้นไม่มีแต่พวกท่านเหล่านี้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า ต่อให้อดีตที่ผ่านมาจะชั่วร้ายเลวร้ายแค่ไหนก็ตามถ้าเขาเอาอาเคโรฟมาอยู่ในใจเขาแล้วเขาจะกลายเป็นบุคคลที่กลัวรอ ม, มากที่สุดได้เช่นเดียวกันเราศรัทธาต่อนายของฮารุและมูซาแล้วฟิโรนโกรธสิครับเสียหน้าสิครับนี่เจ้ามาศรัทธากับเขาก่อนที่ข้าจะให้อนุญาตกับพวกเจ้าเลยโกรธสิอันนี้มันเรื่องใหญ่เลยนะ นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยทั้งคนที่สอนให้ประสิทธประสาดความรู้เจ้ามาก็เป็นคนของแค่เจ้าก็เป็นคนของแค่ข้าไว้ความช่วยเหลือนี่เจ้ามาหักแน่ข้าอย่างนี้ข้าจะตัดมือตัดเท้าแบบให้เหลือแบบให้เหลือแต่ตอเลยคือตัดแบบให้เรียบเลยตัดมือนี่คือคําว่ามือจริงๆมันจะมาถึงไหล่ได้เลยพี่น้องคือตัดแบบไม่ให้เหลือตัดตัดตัดทั้งตัดเท้าไปด้วยแล้วก็จะไปขึงตึงไว้เลยเพราะาฟิสิโอได้ชื่อว่าเป็นจอมตึง ว่าฟิลเอาใิลเอาแตดดิลเอาแดแปว่าจอบตึงได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะตึงเจ้าไว้กับต้นอินารพาลำตึงปล่อยให้ตายไปอีกพี่น้องคือฆ่าก็ไม่ฆ่าพี่น้องที่ดูคือตัดแขนตัดขาออกไปหมดแล้วก็ตึงแล้วก็รอให้เลือดไหลไปแล้วก็ปล่อยให้ตายไปพี่น้องถ้ามีคนจะทำอย่างเียพี่น้องมีใครไม่กลัวพี่น้องมันสยองนะพี่น้องมันไม่ใช่กลัวอย่างเดียวนะพี่น้อง อย่างประหารชีวิตตัดคออ่ะโอเคมันกลัวแบบที่มันจะตายแต่ปุ๊บเดียวก็ตายแต่นี่คือตัดแขนตัดขาตัดเท้ตาตัดอะไรตัดทิ้งหมดแล้วก็ตึงไว้อย่าพี่น้องประจานไว้แล้วก็ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นกจะมาจิจจะมาอะไรอีแรงจะมาถึงทําอะไรไม่ได้เลยแล้วถูกปล่อยจนกว่าจะตายโอ้เป็นพวกเรามุ穆ิมที่เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดเจอแบบนี้ก็คงบอกเอาไม่เป็นไรละฟาโรชัน ฉันเมื่อกี้ฉันรอเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีจุดยืนเสียหายแค่ไหนแต่นี่คือกลุ่มที่เคยเลวร้ายที่สุดแล้วอีม่านเต็มท่วมทนแล้วเขารู้ว่าเขาจะเจอแบบนี้พวกเรากล่าวว่าไงครับว่าละตาลมุนอยูนอัชดุอาซาบูอาบกาฟิรูนเอยจะคิดว่านี่คือการลงโทษที่หนักหนาสาหัสใช่ไหม บรรดาพ่ามดหมอผีบอกว่าไงครับวัดดิมาจากก็ดินอาซิเจ้ามินเจ้ามีความสามารถจะทําอะไรได้เจ้าคิดว่าเจ้ามีอำนาจเลยเจ้าก็ทําในสิ่งที่เจ้าคิดว่าเจ้าทําได้และกันเรานั้นปรารถนาต่อนายของเราแล้วเราหวังว่านายของเรานั้นจะยกโทษให้กับเรานี่นคือหวังอัลลอฮ์กับหวังโลกหน้าอย่างเดียวแล้วพี่น้องโลกนี้แม้แล้วโลกนี้ฉันโดนตัดมือตัดแขนเอาช่างโดนตัดเท้าช่างฉันจะโดนปล่อยให้ตายก็ช่างฉันหวังอัลลอฮ์ฉันหวังโลกหน้า ซึ่งพระลอคก็บอกว่าแล้วถึงเวลาพวกเจ้าจะรู้ว่าใครกันแน่ที่ลงโทษอย่างเจ็บแสบและเป็นการลงโทษที่มันจะอยู่อย่างถาวรเพราะเฟดอุนคงคิดว่านี่คือการลงโทษที่ยาวนานแล้วแต่ตอนนี้กลุ่มพ่อมดหมอผีผู้ศรัทธากลุ่มเหล่านี้ที่เคยเป็นอดีตคนที่ไม่ดีมาก่อนเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นการลงโทษที่มันผ่านไปช่วงหนึ่งมันทรมานตอนที่โดนจนเมื่อเสียชีวิตก็ตายไป แต่อะไรคือสิ่งที่เหลืออยู่ฟารโรมีความสุขเหลืออยู่ไหมความสุขของฟารโรไม่เหลือแล้วแต่บรรดากลุ่มอดีตพ่อมดหมอผีสิ่งที่รอคอยอยู่คือความสุขที่แท้จริงตลอดการวัลอาคิร์รตุคอยรูหัอับกอครับกลุ่ม พ, พ่อหมอผีบอกว่าไงนะครับกอลูลันุซีรอแกะและมาชจ้ า, านามินาเบ ย, ยนินาติวลลีฟาตารนา فقد ما أنت ق ا د إنما تقديها ه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ل ي ف ظ لنا خطيانا وما أقردنا عليه من الصعد والله خير وأبقى إنه من يأتي ر ب ه مشرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد ع م ل ا กระทำการศัลย์พนุ์ فأولئك لهم الدرجات ا ل ع ل ا ن ا ت د ن تجري من ت ه ا ل ن ه ا ر خادين فيها و ذلك ت ز ا من ت ز ك سبحان س ن พี่น้องเรื่องราวของกลุ่มอดีตพ่อมดหมอผีเนี่ยสอดคล้องกับสุรอัลอาลาแบบงดงามมากๆเลยทั้งที่เราพูดถึงผู้ที่ขัดเกาพูดถึงการตอบแทนที่มันจะอยุดตลอดกาล ในสุรอ้อเนี่ยหลังจากที่เฟรอุได้พูดไปแล้วบอกว่าข้าจะขึงจะตัดมือจะอะไรเนี่ยเพราะมุกหมอผีครับหัวใจของเขามีอัลลอ์มีโลกหน้าอย่างชัดเจนเรานั้นจะไม่แคร์อะไรมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรในสิ่งที่เจ้าพูดหรอกคือเราไม่หันเหนไปทางไหนแล้ว หลังจากที่สัจธรรมนั้นได้มาหาเราเจ้าอยากจะตัดสินอะไรเจ้าตัดสิ น, ปนไปเลนี่พูดกับเฟรดอูเลยไม่มีความเกรงกลัวเหลืออีกแล้วคือไม่กลัวฟาโรห์อีกแล้วมีแต่ความกลัวอัลละฮ์มีแต่ความหวังต่ออัลลอฮ์มีแต่ความรักอัลลอฮ์มีหัวใจเขาเต็มอกแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริงเพราะฉะนั้นจะตายยังไงมันก็ต้องตายดุนยามันต้องตายเพราะมันต้องตายธรรมชาติคือต้องตายแต่โลกหน้าคืออะไรที่มันถาวรตายยังไงใ ห, ให้ได้อยู่ในโลกหน้า อย่างผู้ที่มีความสุขอดีตพ่อมดหมอผีบอกเอาเลยเจ้าทําอะไรไนดะ้เจ้าก็ทํามาแล้วกันมันก็เป็นแค่ชีวิตที่น่าอัปอายมันก็เป็นแค่ชีวิตที่ต่ําต้อยมันก็จบแค่นี้ถ้าเราคิดได้ขนาดนี้อีหม่านเราจะขนาดไหนพฤติกรรมเราจะเป็นยังไงพี่น้องลองคิดดูเราคงไม่ห่วงเรื่องความป่วยไข่เหมือนกับที่เราห่วงขนาดนี้เราคงไม่ห่วงเรื่องของเราคงไม่กลัวในเรื่องของการสูญเสียในดุนยาขนาดนี้เราคงไม่ร้องหมร้องไห้ฟูไฟเราคงไม่เกลียดเราคงไม่เสียใจเหมือนที่เป็นอยู่อย่างนี้ใช่หรือไม่ ถ้าหัวใจเรามองไอค่นัน อ, อย่างแท้จริงให้คล้ายๆกับที่ผู้ศรัทธามองไม่ต้องถึงขั้นระดับรอซูลไม่ต้องถึงขั้นระดับซาฮาบะเอาแค่เนี่ยอดีตพ่อมดหมอผีเนี่ยอดีตเลวยอพอไหมล่ะเกินเราอีกเขายังทำได้แล้วเรายังจะมีข้ออ้างอะไรอีกเรายังจะมีข้ออ้างไหมว่าเราไม่ดีขนาดเขาเนี่ยคือเขาเริ่มมาไม่ดีกว่าเราไม่รู้ขนาดไหนพี่น้อง เขาบอกว่าไงครับอินนาอามันนาบิรอบบินาเราศรัทธาต่อนายของเราแล้วโดยหวังว่านายของเราจะยกโทษในบาปของเราส่วนที่คุณจะบังคับเราเนี่ยสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอ์นั้นดีแล้วก็อยู่ถาวรกว่าคอยรุนหอับบอกอใช้คำเดียวกันกับมิสอาลาเลย ahu, วะลลอฮฺคอยรุนหะอับบากอเพื่อร้อนั้นดีงามแล้วก็อยู่ตลอดไปใครก็ตามที่ไปหานายของเขาในสภาพของคนชั่วร้าย นรกจะเป็นที่ตอบแทนเขาจะไม่เป็นแล้วก็ไม่ตายในนั้นใครก็ตามไปหานายของเขาในสภาพของผู้ศรัทธาเขาได้ทำการงานที่ดีพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการตอบแทนระดับขั้นที่สูงส่งด้วยกับสวรรค์อาดนินที่มีทาน้ำไหลผ่านอยู่ในนั้นตลอดการและนี่แหละคือการตอบแทนสำหรับผู้ที่เขาขัดเกา่ามันจะสกัดครับ ครับพี่น้องที่รักครับพี่น้องท่านใดที่สลามาก็ไว้ก uh ุศลละมาบอกตุลลอห์ว่าบารกาตุ้นครับผมในสุลต์ต่อฮาเราก็ได้ข้อคิดจากคนที่ดีเราก็ได้ข้อคิดจากอดีตคนที่เคยช่วรา้ายรแค่ไหนเราก็ได้ข้อคิดคำถามก็คือเรายังมีข้ออ้างอะไรอยู่เรายังมีอะไรติดค้างอยู่ทําไมเราถึงบัลตุสิรูนละฮายาตัดยุนยาทำไมเราถึงยังเลือกชีวิตในดุนยาทําไมชีวิตในดุนยามันถึงมีอิทธิพลกับเรามากขนาดนี้คําถาม ที่พวกเราทุกคนนั้นต้องหาคำตอบให้กับตัวเองครับผมอาคุลกาลิฮะดาบัสักบุลลฮิวลักุมวาลิซันอิมสลิมีนมิลคุลิดะบัสักบรอินูวลกฟอัรฮมสุบฮานะกัลลอฮิกะอัจฮัดอัลลาอิลัยลันตะอัลสักบุกะวาตูบุลัครับทุกข์การ์มบุนีนชาลาห์ครับผมซุลามุอะลัยคุมวาะห์มัดุลลาห์วาบรกตุฮ